จางจางยางล่องลอยจากแดนไกลกระซิบคอยบอกเบาๆเตือนให้เราลืมตา Right.